ฟังวันนี้ก็จะอธิบายรูปเปรียบของการสำรวมอินทรีย์มาให้ฟังมีบุรุษคอน่งจับสัตว์มาหกชนิด แล้วก็เอาเชือกผูกแต่ละตัวละตัวก็เอาเชือกผูกขามันไว้แล้วก็ตอกลับลงสู่พื้นดินแล้วเอาเชือกนั้นไปมัดใส่หลักนั้นทั้งหกเส้นสัตว์เหล่านั้น ตัวมันมีปีกมันก็จะบินขึ้นฟ้าแต่บินก็ไปไม่ได้ขาเชือกก็ต้องลงมาสู่พื้นดินอตัวที่จะไปสู่น้ำก็ดันจะไปหาน้ำตัวตัวโยบุนบอกก็จะวิ่งไปเข้าป่าไปแต่ก็ไปไม่ได้ขาเชือกดินไปดินมา เหนื่อยแล้วก็มารวมกันอยู่ที่หลักแห่งเดียวข้อประมาณนี้ฉันได้คำว่าสัตว์หกชนิดนั้นได้แก่อายุตนะภายในหกคือตาหูจมูกกลิ้นกายใจเชือกที่ผูกสัตว์นั้นได้แก่สติหลักนั้นได้แก่ใจ สติมันกำหนดรู้เท่ารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆที่มันกระทบในตาเป็นต้นแล้วมันมีสติควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในแม้ว่าจิตมันอยากจะคิดไปตามรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส นั่นนั้นจิตมันก็ไม่ยินดียินร้ายไปตามมีจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีสติประคองอยู่มีสติคอยควบคุมจิตที่มันดิ้นลนไปตามอารมณ์ต่างๆแเหล่านั้นเมื่อสติมันเข้มแข็ง ควบคุมจิตได้นานเข้านานเข้าจิตนี่มันก็อ่อนกำลังลง <c oughs> อารมณ์ทั้งหลายมันก็ดับไปทีนี้ตาหูจมูกเล้นกายอะไรเหล่านี้ <c oughs> ความรู้สึกทั้งห้านี้มันก็มารวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวมันไม่รู้สึกไปตามอารมณ์ภายนอก เหมือนอย่างสัตว์หกจำพวกนั้นเมื่อมันสักเกย์เยอะไปเต็มที่แล้วมันไปไม่ไหวเพราะเชือกมันเหนียวแน่นมากมันไม่ขาดเหนื่อยอ่อนแล้วก็มารวมกันอยู่ที่หลักแห่งเดียวอายตนะภายในหกก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่แล้วมันก็มารวมอยู่ที่จิตนั่นหมด มันไม่ส่งออกไปข้างนอกอันนี้เรียกว่าอุบายภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกลุกเปรียบมาให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังนี่จะว่กเป็นอุบายภาวนานี้เองถ้าว่าเป็นแต่ทาล้นล้วนบางคนก็ไม่ทราบซึ่งในใจ ไม่สนใจที่จะเอามาคิดเพราะองค์ยังนชักเป็นลูกเปรียบขึ้นมาแล้วก็เอาไปคิดไปกลองก็ย่อมเห็นตามเพราะว่าผู้ฝึกฝนจิตใจนี่มันต้องฝึกสติให้มันเข้มแข็งใจนี่จะตั้งมั่นอยู่ได้ก็โดยอาศัยสติ สัมปัจ ญ, ญะนี่เนี่ยประคับประคองไว้คือมันระลึกเข้ามาหาจิตใจในเสมอไม่เผลอตัวกำหนดรู้จิตตัวเองว่าตั้งมั่นอยู่หรือไม่ตั้งมั่นนี่กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นถ้ารู้ว่าไม่ตั้งมั่นวนไว ย, ยินดียินรายไปอย่างนี้ก็จะได้ควบคุมจิต เพง่งจิตแล้วก็เตือนตัวเองเข้าไปเตือนตัวเองให้รู้จักว่าไอ้สิ่งที่ตนคิดสงสัยไปตามมูนนะ่ะมันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรตาที่เห็นลูกก็ไม่ใช่ของเรา หูจมูกเล่นกายอาวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ไม่ใช่ของตัวของตนอะไรทาไมจึงจะไปหลงยินดียินร้ายไปตามเ่านี่ผู้มีสติย่อมสอนตนเตือนตนอย่างนี้เสมอถ้าขาดสติแล้วจิตมันก็หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆหมู่นั้นนะ จิตก็เสื่อมจากสมาธิไม่ตั้งมันมมงม่นแล้วเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็เหลวไหลอะไรแลบบนี้นะความบฤชมันก็เดือดร้อนกันนะถ้าเป็นนักบวชก็ดีดลนกวนกระวายอยากจะสึกออกไปแสวงหาอารมณ์ที่ตนรักตนชอบใจนั่นแหละ มันเองถ้าเป็นครื้งหัดผู้มีเมีย ม, ม, มีผัวแล้วก็ไม่พอใจในเมียในผัวของตนไปหาหญิงอื่นชายอื่นเพิ่มเติมเข้าไปอีก <c oughs> เรื่องของตัณหามันก็เป็นอย่างนี้เหตุใดมนุษย์เรามันถึงได้ทะเลาะวิวาดกันอยู่ไว้บ่อยก็เพราะว่ามันอยากอะไรก็อยากเกินขอบเขตไป ไม่รู้จักประมาณตนไม่รู้จักพอประมาณเหตุนั้นคนส่วนมากมันจึงเสื่อมจากความสุขความเจริญเพราะตกเป็นทาสของตันหาอา้าวผัวไปทำงานอยู่เมืองนอกเมืองแขกนู่นได้เงินแล้วส่งมาให้เมีย เมียทางบ้านสนุกใช้ใจสุร่ายสุรยสุร้ายพุ่มเฟยเอาไปพลนเปอรชายชู้เข้าไปเอาไปเอามาก็หนีไปตามชายชู้ทิ้งลูกไว้กับพ่อกับแม่หอผัวกลับมาบ้านก็พออยากฆ่าตัวตายมานั่งวิตกวิจันทร์ อุตส่าห์ทนทุกทรมานไป ห, หาเงินหาทองอหวังว่าจะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย เ, เมียก็เกิดหน้ามืดตันหาครอบําจิตใจอย่างแรงทนไม่ไหวก็ประพฤติผิดศีลผิดธรรมไปอย่างนี้แล้วครอบครัวนั้นก็ไม่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้อืมอย่างนี้แหละคนไม่รู้จักประมาณตนนะ เมื่อตอ น, น บ, บุญน้อยอย่างนี้แล้วอยู่กับที่จะให้มันร่ารวยได้เงินได้ทองมาจะให้ได้อยู่พรองรักกันตลอดทุกวันทุกคืนไปอย่างนี้เหมือนอย่างคนที่เขาร่ำรวยมั่งมีนั่นมันก็ไม่ได้แล้วมันจำเป็นต้องพลาดจากกันไปหาเงินหาทองถงมาเลี้ยงดูกัน แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่สนองตอบอีกฝ่ายหนึ่งซะเพราะตันหามแรงมากอันนี้แหละเรื่องของตันหานี่มันย่อมทำลายคนให้เสื่อมเสียจากกุศลคุณงามความดีมากฝ่ายดูแต่ข่าวคึกโคมอยู่ทุกวั น, น, น, นเนี่ยนั่นเองพระกับศีกา เป็นชูกันจนถึงกับได้ลูกได้เต้าเรืองแจงแดงโล่ขึ้นมาอ้า <c oughs> ก็เป็นภาระของทางคณะสงฆ์ทางบ้านเมืองตง้องสืบสวนต้องพิจารณากันลงโทษกันไปไอ้ผู้ทางสื่อข่าวเขาก็เอาไปลงกระจายไปทั่วโลก หมู่นี้นะควรพากันคิดให้ดีนี่แหละบุคคลผู้ที่ไม่ผูกจิจของตนให้ตั้งมั่นต่อกูทร์สนภูงามความดีแล้วมันตกเป็นทาสของราคะตัณหาเป็นพระก็เสื่อมจากพระเป็นคฤหัดก็เสื่อมจากฆเรหัดเสื่อมจากลาบจากยศสะสมเงินทองไว้ไม่ได้เลย คนตกเป็นทาสของตัญหาแล้วมีเท่าไรจ่ายมันไปเท่านั้น <c oughs> ซึ่งเอาไปได้เอาไปฝากธนาคารเข้าไวเพื่อเก็บดอกเก็บผลมาใช้มาจ่ายไม่มีเลยมีเท่าไรจ่ายมันไปเท่านั้น <c oughs> <c oughs> ไอ้ผู้ที่เป็นนักบวช <c oughs> ก็ควรจะพิจารณา ดูคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันเจ็บแจ้งเพราะพุทธเจ้าทรงสอนว่าตัณหาและเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้แล้วเราเป็นสาวกของพระองค์ยังแกยอมตอนลงเป็นทาสของตัณหาอย่างนี้นะมันไม่สมควรเป็นหน้าที่ของเราจะต้องกำจัดตัณหา ด้วยอาศัยการประกอบความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนด้วยการสำรวมจิตอยู่ภายในอย่างที่ว่ามาแล้วไม่ให้จิตตังนิลงดีเย็นร้ายไปตามอารมณ์ภายนอกมีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ภายในพิจารณาเห็นสัพสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไป ทั้งที่ส่วนที่เป็นส่วนที่หยาบก็ดีส่วนพอพันกลางก็ดีส่วนละเอียดปนิดก็ดีขึ้นเชื่อว่ามีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นนี่เป็นนักบวชนักพลอยพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปของสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกเนี่ยก็เมื่อเห็นอย่างนี้โดยปัญญาแล้ว มันก็ปัญหามันก็คลายออกแล้วก็เบาบางออกไปอความอยากความทะเยอทะย า, ยานต่างๆมันก็เบาลงเพราะมันเห็นแต่ความเกิดความดับไปไม่เห็นมีอะไรยั่งยืนอยู่สักอย่างเดียวมันเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้นะมันก็หายอยากหายหิวสิคนเราอันนี้มันมัวมองประมาทกัน บวชเข้ามาแล้วก็ไม่ไม่ไข้ควรไม่ภาวนาไม่พิจารณาความจริงของชีวิตคิดหาแต่ทางจะศึกหาลาเพศออกไปหาเงินหาทองอะไรต่ออะไรจิตใยไม่เป็นธรรมเลยจิตไม่วกเข้ามาสู่ธรรมของจริงไม่ยอมรับรู้ความจริงของชีวิต เพียงแต่อยู่ไปพอบวชพอเป็นพิธีทำให้บวชบางทีหวังกรลายกับพ่อแม่อ้อนนอนให้บวชขัดพ่อแม่พี่น้องไปได้มาบวชบางคนก็เกิดศรัทธาด้วยตนเองไอ้เมื่อเราได้บวชมาแล้วอย่างนี้นะมันก็มีโอกาสที่จะได้พิจารณา อความเป็นอยู่ของชีวิตนี่แหละให้มันละเอียดแล้ว อ, องลงไปก็อย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วออความเป็นอยู่ของชีวิตที่เกิดมาในโลกนี่มันแสนยากแสนลําบากการหาปัจจัยสี่มาบำรุงร่างกายอันนี้มันแสนยากแสนลําบากใครๆก็ยอมรู้อยู่ทางนั้นนะ แต่มันสู้อำนาจตัณหาความอยากไม่ได้เมื่อมันอยากเมื่อพอแล้วอ่มันจะทุกข์ยากปันไรก็จะสู้ก็ลงนั้นแหละต้องสู้มันทำยังไงมันอยากมัน อ, มอย่างนี้ลมันสู้แบบไม่มีปัญญา คนมีปัญญาเขาไม่สู้ในสิ่งที่มันก่อให้เกิดทุกข์มันสู้ทำความดีอันมันเป็นทางพ้นทุกข์นั้นทางใดมันจะเอาชนะตัณหาได้มันก็ต้องดำเนินไปสำรวมในสินในวินัยเคร่งครัดเข้าไปนี่ทางนี้เป็นทางที่จะกำจัดตัณหาออกจากหัวใจ เมื่อสำรวมในสินในวินยัยเคร่งคัดได้ดีแล้วก็เจริญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปได้จิตใจมันก็แน่วแน่ลงเพราะการที่บุคคลเรามีสินมีวินัยเนี่ยอยู่ด้วยดีจิตใจมันก็ย่อมเป็นปกติไม่ถูกปัญหาอันหยาบครอบงำหรือว่าเผาจิตให้ดินรนเดือดรน บุคคลผู้ที่ขาดสติวิในแล้วอย่างนี้นะมันจิตใจมันก็สงบอยู่ไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ไม่ได้แล้วมันจีพีนาเห็นความเกิดความเสื่อมไปสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายได้อย่างไรอะ่ะมันก็ไม่ได้มีแต่มอง แต่สอดสายหาตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันสวยๆงามๆที่เราเขาสมมุติกันขึ้นมางั้นจิตใจมันเคยแส่สายมาตั้งแต่ก่อนบวชนู่นพอแรงแล้วบวชมาแล้วก็ไม่ควบคุมจิตอันนั้นทำให้มันแส่มันสายไปเหมือนเดิมอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้มันจะอยู่ได้ยังไงการประพฤติพรหมจรรย์มันก็อยู่ไม่ได้ มันต้องฝึกกิจอันนี้ให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่จากเดิมมันกำหนัดยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสอย่างว่านั้นเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วก็ต้องฝึกมันไม่ให้มันกำหนัดยินดีให้มันเบื่อมันนายเบื่อนายเพราะความไม่เที่ยงไม่ยังยืนเบื่อนายเพราะการแสวงหา เบื่อหน่ายเพราะการรักษาดูแลอือย่างนี้มันน่าเบื่อจริงๆอ่ะการแสวงหาก็ไม่ใช่ง่ายกว่าจะได้วัตถุสิ่งของแต่างมานี่อืมเอาทุกเป็นทุนทั้งนั้นเลยอาบเหงื่อต่างน้ําอืมไอ้ที่มันทําได้น่นเพราะตัณหามันยุอยู่ในหัวใจนุ่นออตัณหามันยุเอาหน้า ทำงานนี่ไปเดี๋ยวได้เงินได้เงินมาแล้วก็จะสนุกสนานดีจะซื้อรถซื้อรามาขี่จะได้มีงามงามอตัณหามันยุเอาวันนี้ก็ใจก็หึกเขิมขึ้นอ่นหนักเอาเบาสู้ไปแล้ววันนี้จะเชื่อความคิดเชื่อกำลังแห่งตัณหา เมื่อได้สิ่งนู้นั่นมาแล้วเอาก็มาเป็นทุกข์เพราะรักษาดูแลได้รถมาขี่หน่อยก็รถเสียเอาถ้าไม่มีเงินซ่อมก็เอาแล้วลำบากใหญ่เลยได้มีมาเอาทีแรกเข้าใหม่ปรามันก็ชื่นสมยินดีต่อกันไปทันไปๆแล้วเกิดทำการงานยุ่งยากลำบากมาเอาเงินทองก็ขาดมือไม่มีจะใช้เข้าไป ก็เก <stroke> ok ิดอนละเวงกันขึ้นมาหน้ทะเลาะวิวาดกันขึ้นไอความชื่นชมยินดีต่อการมาที่บัง้นหายไปหมดนี่แต่ความทุกข์ความขับแค้นใจเกิดขึ้นมาแทนอันนี้นะพอเป็นความจริงเลยทีเดียวอะเรื่องนี้นะมันรุดรามันอกหักมาด้วยอำนาจแห่งตันหานี่มันคนาดนานับไม่ถ้วนทีเดียวะ ทีแรกก็นึกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนี่นึกว่ามันจะสนุกส น, นานเลยไปที่ไหนได้มันก็เหมือนกับยาพิษเคลือบน้ําตาลนั่นแหละเวลาอมเข้าไปในปากทีแรกมันน้ําตาลมันหอมก็หวานดีพอ ก, กลืนเข้าไปถึงกระเพาะแล้วน้ําตาลละลายยาพิษละลายออกมาแล้วเอาอะไรทีนี้เจ็บปวดรวดเล่าทุกขเวทนา นี่ท่านได้ตัณหาความอยากทั้งหลายราคะความกำหนัดทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนอืมทีแรกนี่ดีมันชื่นชมยินดีเหลือล้นนะทันไปไปมาๆก็กลายเป็นขมขื่นไปอันมูนี่นะผู้เป็นนักบวชมันควรจะ พ, พิจารณาเห็นแท้ๆเนี่ยลอวถ้าเาเป็นเครืงหัดเนี่มัน คุกเคีอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นมันพิจารณายากอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าได้ถอนตัวร่างกายห่างออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นมาแล้วอย่างนี้มันนั่งภาวนาเพ่งพิจารณาดูหรือมันก็เห็นความวุ่นวายความเดือดร้อนเพราะกรมคุณนั่ น, เ, นเห็นได้ด้วยปัญญาจริงๆเลย ถ้าไม่เห็นอย่างนี้ท่านที่บวชเข้ามาจนเฒ่าจนแก่ท่านเห็นอย่างเนี้ยท่านยึงอยู่ได้อืมเห็นอย่างนี้ถ้าไปเห็นว่าเป็นของสวยของงามมันอยู่ไม่ได้เลยมันเป็นงั้นหลักเกณฑ์มันมีอยู่อย่างนี้ชีวิตของนักบวชนะแต่ผูใ้ใดไม่ยืนหยัดอยู่ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่ต่อสู้กับ ความอยากความปรารถนาอย่างว่านี่เอาจนให้มันได้ใช้ชนะแล้วมันจะอยู่ประคทพษษมจันในพุทธศาสนานี่ไม่ได้ดอกไม่ได้นี่เราพูดกันอย่างเปิดอกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผูใ้ใดเบื่อทุกภใครในวตาสงสารแล้วอย่าพยายมจกตกเป็นทาสของตัหาต้องทำความเพียรสู้กันนอนพอประมาณ กินพอประมาณทำความเพียรให้มากนั่นเดียวว่าความเป็นอยู่นั้นให้พอประมาณอริยบททั้งสี่นั่งก็พอประมาณเดินก็พอประมาณอย่างนี้แหละยืนนอนก็พอประมาณอย่าให้มันมากเกินประมาณเห็นนอนมากเกินประมาณมันก็ ไม่มีโอกาสจะได้ทำความเพียรเลยก็ได้แต่ น, นอนอย่างเดียวนั่นแหละคนนอนมากมันมีปัญญาอะไรอะ่ะมีตะกิเลตนั่นแหละมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจไม่ว่ายุคใดสมัยใดท่านผู้เป็นศาสด า, ศาท่านก็ ทำความเพียรมาอย่างนี้แหละจึงได้เป็นครูเป็นศรรสาสตราเอกในโลกสอนสัตว์โลกทั้งหลายถ้าท่านไม่ได้ทำมาอย่างนี้ท่านก็ไม่สอนคนให้ทำอย่างนั้นต้องคิดดูให้มันเห็นท่านหลุดพน้นมาด้วยอำนาจแห่งความเพียรความพยายามความไม่ยอมไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา มีสติสมัมปชัญญะห้ามจิตของตนไว้เสมอนีส่สติเนี่ยจำต้องใช้ทุกเมื่อทุกเวลาทุกนาทีไปเลยแต่คุณธรรมอื่นนั้นบางทีก็ไม่ได้ใช้บางทีก็ได้มาใช้กันแตส่สติสมัมปชัญญะนี่ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาต้องให้เข้าใจนี่แหละคุณคุณธรรมประจําใจนะ อันนี้เนะี่ย <mote> ถ้าหากว่าสติสมบัติเนี่ยนี่ไม่เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจแล้วบรรดาคุณธรรมนั่งหลายต่างๆเหล่า น, นมีศรัทธาเป็นตน้นก็ไม่เจริญขึ้นในจิต ใ, น ใ, นใจของผุ้นั้นได้เลย<ม>เพราะอะไรนะก็ <le> เพราะมันนึกไม่ได้นี่เมื่อมันนึกไม่ได้มันมันจะทำได้ยังไงล่ะ นั่นมันทำไม่ได้เลยเออถ้าเช่นอย่างว่าถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาข้นมาอะไรอย่าง น, นมันนึกไม่ได้เพราะใจมันเพลินไปเรื่องอื่นโน้นนี่เออมันก็ไม่แล้วไม่ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเลยเพราะมันนึกไม่ได้นี่มันนึกไปในเรื่องใดจิตมันก็ไปคล้องอยู่กับเรื่องนั้นเหมือนเบงกัน แต่ถ้าถึงเวลามันมันนึกได้เวลานี้เรานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะก็ น, นั่งสมาธิภาวนาเข้าไปไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี้อะไรเลยถึงเวลาแล้วต้องทำเข้าไปทำใจที่มันสงบลงไปให้ได้เคยทำใจสงบมาอย่างไรก็ทำให้มันสงบอยู่อย่างนั้นนี่รักษาความสงบไว้ให้ได้ ถ้าไม่มันนั่งสมาธิภาวนาแล้วจิตใจที่เคยสงบมาแต่ก่อนก็ฟุ้งซ่านแล้วสงบไม่ได้เพราะคนที่ไม่ทำความเพียรเพ่งพินิษไม่นั่งสมาธิภาวนามันก็เผลอตัวแหละมันเพลินเนี่ยเมื่อเพลินแล้วกิเลสมันก็ได้ช่องมันก็เข้าครอบงำจิตใจเี่ยเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นอ่ะขอให้พากันพิจารณาให้ดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไ้มาพบพระพุทธศาสนาทั้งที่ในชาตินี้นะควรทำความเพียรเลยเพราะหนทางพ้นทุกขา์ศาสดากระทรงสอนแล้วทรงแสดงไว้แล้วแล้วก็นำมาชี้แจงแสดงสู่กันฟังอย่างนี้แหละ เราไม่ทําความเพียรในการที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนานี่เดียวถ้าตายแล้วไปเกิดไปชาติใหม่ก็หลงและเกิดความหลงขึ้นมาเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาพรกคนไม่มั่นใจในคุณประพุธะทธรรมประสงค์แล้วนะมันเปลี่ยนได้ความรู้สึกนึกคิดนี่นะไปเกิดไปบางชาติไม่พบพุทธศาสนา ไปพบกับคนที่เขาถือละที่อื่นเข้าไปอย่างเช่นไปเกิดกับตระกูลพวกมิจฉาทิฏฐิเราถือเทวดาอินพรหมถือพระ อ, อิศวนารายอะไรต่ออะไรเป็นที่พึ่ง น, นแน่นอนเนะ่ยพ่อแม่ก็ต้องชักจูงลูกให้ทำตามพิ ธ, ธีกรรมวิธีที่เขานับถือมานั่นแหละไม่อ่อนมันก็ ธรรมบัณฑามือต้องอ่อนไปตามพ่อตามแม่หรือไม่ฉะนั้นก็ไปคบเพื่อนฝุงที่ไม่ดีเข้าไปเขาก็ชักจูงทำความชั่วเข้าไปชีวิตก็ตกต่ำไปเรื่อยๆถ้าผูใ้ใดมีจิตใจเชื่อมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรายนี่ตลอดไปทำความเพียรไป เห็นคุณแก้วสามประการปรากฏอยู่ในใจเสมอ อ, อย่างนี้นะเห็นบุญกุศลความดีที่ตนทำมาปรากฏอยู่ในจิตใจเสมอไปอย่างนี้มันก็ทำให้ใจนั้นตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณ น, นั้นทีนี้บุญกุศลอันนี้นะ ก็จะโดนบันดาลให้ไปเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นมาในโลกนันไปอย่างนั้นแล้วก็บันดาลให้คบกับนักปราชญ์บัณฑิตผู้มีความเห็นถูกเห็นชอบตามธรามนองกลองธรรมท่านจะได้ชักนำให้มีนำเนินไปทางถูกต้องเป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารอย่างเช่นเราเกิดมาในชาตินี้เนะี่ย เราเียว่าแสดงว่าถึงว่าใจเรามั่นอยู่ในคุณพรณะรัตนกรายจริงๆดังนั้นมูญนั้นนั้นจึงดนบันดาลให้เรามาเกิดในยุคในสมัยที่พุทธศาสนายังมีเราได้มาลงมือประพฤติปฏิบัติตามแค่นี้นกะก็สมควรแล้วที่จะเฟืกจิตใจของตนให้มันตั้งมั่นลงไปจริงๆคนพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมสิ้นไป แห่งทรัพระสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ดังที่แนะนำพ ร, รมสอนมาเนี่ยก็คงจะเป็นหนทางพ้นทุกคนภัยในวัตาสงสารได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้